พระธรรมเทศนาแผนที่99ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่14กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่าตายแล้วไม่สูญส่งบุญให้โชเฟอร์วันนี้เป็นวันที่ สิบสี่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบวันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้ทำบุญวันเกิดของโยมหุยแต่สิริเวทเที่เจ้าของบ้านและกับร้านรวมเม็ดการค้าจำหน่ายรถไถทีจ่จังหวัดสกลนครแห่งนี้ หลวงพ่อก็เคยมานะเคยมาหลายสองสครั้งนะสาีส่ครั้งมาท่านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะมาแต่ละครั้งกับบางทีก็มาพบกับ เ, เจ้าจุา๊กเจ้าคุณสมเด็จสมเด็จมาหาโมนีวงศสมเด็จพระวรนรัตน์พอบอยเขา เ, เป็นลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าพระคุณสมเด็จกันกรณีมนมา หลวงพ่อก็ได้มาร่วมได้มาพบเนี่ยกับหลวงพ่อสุธรรมอที่เป็นเจ้าของถิ่นวันนี้ก็หลวงพ่อเองก็ได้มาพักอยู่ที่วัดน้องไผ่เหมือนกันมาพักกับหลวงพ่อสุธรรมเมื่อเช้าก็ได้ลงมาเนี่แหละได้มาในงานพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันสักธรรมบุญขึ้นเอ ทำบุญบ้านแล้วก็ทาบุญอุทิศทาบุญวันเกิดของคุณโยมเจ้าของบ้านอ่าแล้วก็บอยที่เป็นลูกชายก็รู้จักมักคุ้นกับครูบาอาจารย์ถ้าจะว่าไปในบอยในกว้างขวางนะเออนพึ่งพ่งกลับมาจากเจ้าคุณสมเด็จสมเด็จใหม่สมเด็จ ใ, ใหม่ก็ดีสมเด็จพระวรนรัตน์ก็ดีก็รู้สึกเนี่ยท่านจะเรียกใช้ บอยบอยก็เป็นผู้ที่เข้าไปรับใช้ครูบาอาจารย์ uh, ดูแลก็เนี่ยนะ uh, อ่อนน้อมถ่อมตน uh, จะหาได้หาได้ยากอยู่นะ uh, อยู่บ้านนอกขอบคาเมขนาดนี้จังหวัดทางไกลจากกรุงเทพมหานคร uh, อย่างนี้เนี่ยเข้าไปรับใช้ uh, ครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ uh, นับว่าเป็นผู้มีบุญทีเดียวท่านจึงเมตตานะ พูดที่จะเข้าไปรับใช้ท่านมันมีเยอะแต่ท่านจะเมตตาหรื อ, อยังมากน้อยเท่าไหร่คงจะเป็นบุญเก่าคงจะเคยสั่งสมบุญมาในอดีตชาติก็ได้นะเพราะนั้นเวลาท่านเห็นแล้วก็เออเรียกเข้ามาใกล้ชิดเข้ามารับใช้ <c oughs> อันนี้ก็เนี่ยเจ้าพกุลสมเร็จของเราเมื่อวันที่12ท่านก็สถาปนาขึ้นมา นี่แหละก็น่าปลื้มใจเพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จองค์นี้เน่ยท่านก็เคยมาอยู่ที่วัดหลวงปู่ฟันน่นหลวงปู่ฟั่นเคย <c oughs> เคยทํานายท่านไว้นะเ อ, อมหาอย่าไปศึกหนะ้าทําตนให้ดีนะแล้วต่อไปจะได้เป็นผู้ใหญ่เป็นสมเด็จนะแต่ไม่รู้สมเด็จไหนนีแต่พด้ผในสุก็ได้จําเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะแล้วก็ท่านรู้จักหลวงตามหาบัวอีก และท่านรู้จักหลวงปู่จามมหาปุญโยอีกนะหลวงปู่จามท่านหงปู่จามเนะี่ยท่านพูดให้ฟังบ่อยนะตรงพ่อเป็นครูบาเป็นหลานท่านบอกว่าเนะจ้าคุณมหาอัมพรท่านว่า น, ะนิสัยดีไปกับเจ้าคุณธรรมจินดาพรสมัยก่อนนะแต่ต่อมาท่านก็ได้เป็นสมเด็จพุทธปาพจนะธรรมเจ้าคุณธรรมจินดาพรนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็รู้จัก มักคุณเพราะท่านเคยเขามาครูบามากราบครูบาอาจารย์ของเราอย่างหลวงปู่ฟั่นก็ดีหลวงตามหากระวัวก็ดีนะแล้วก็หลวงตาหลวงปู่จามอย่างเนี้ยท่านเข้าไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยนะบัด น, นี้เดี๋ยท่านก็ได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยได้ไปเจบคุณสมเด็จพระสังฆราชนะพวกเราก็ ในฐานะที่เป็นพระป่าพระดง์อย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อโอ้อานุโมทนาเยินดีอานุโมทนาสาธุกับพระองค์ท่านเหมาะสมแล้วนะเอ า, อากับกิริยาของท่านก็สวยงามนะอันนี้ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จนะอพอวันท่านเกี่ยวข้องกับเมืองสังวรจกรนครของเราเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พรดได้กล่าวได้เอ่ยถึงท่านนะแต่วันนี้คณะว่าเป็นวัน มงคลที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามคณะทถาญาติโยมทุกโม่ทุกเหล่าได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เกิดมาในจังหวัดสนนกลนครได้มาอยู่ที่จังหวัดสนนกลนครแห่งนี้เป็นจังหวัดสนนกลนครแห่งนี้เป็นเมืองพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไม่ว่าเมืองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยังไงหลวงปู่พระหลวงปู่มั่นของเรา ไปทุกหัวและแหงทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกทุกจังหวัดผลในสุดโค้งสุดท้ายท่านจะมาทิทท้งธาตุขันไว้ที่จังหวัดสกลนครนับว่าจะสกลนครของเราเนี่ยท่านคงจะมองไปแล้วว่าคงจะเป็นเมืองศิลปเมืองธรรมเป็นเมืองลูกหลานอยู่ในศิลในธรรมท่านจะได้มาทิ้ง ธาตุขันของท่านที่วัดป่าสุทธาวาสปี2492นี่แหละอันนี้ก็คือเมืองสกลนครของเรานับว่าเป็นผู้โชคดีจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์มีหลวงปู่กองมาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่กูหลวงปู่ขวาหลวงปู่ฉิมหลวงปู่แว่นมีครูบาอาจารย์ต่างเยอะแยะเกิดขึ้นในที่เกิดขึ้นมาที่จังหวัดสกลนคร แสดงว่าเมืองสกลนครของเราเป็นเมืองครูบาอาจารย์เป็นเมืองศิลเมืองธรรมเพราะนั้นพวกเราได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยได้เกิดมาที่จังหวัดสกลนครที่ว่าเกิดมาในปฏิรูประเทสวาโซจัดเป็นผู้มีบุญได้มาเกิดในประเทศแห่งนี้ปุเพจา ก, กะตะปุญญาตาพวกเราก็คงตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตชาติเมื่อเราทําบุญวัดใดก็าตามสถานที่แห่งใดก็าตาม เมื่อเราทำบุญแล้วเราก็ตั้งความตั้งจิตตั้งใจตั้งความปรารถนาสาธุเนอร์ผู้ฆ่าเกิดในภพใดเชื้ดชาติใดขอขอให้ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้พบบันฑิตนักปราศให้ได้พบผู้มีศีลมีธรรมในสถานที่ข้าพเจ้าเกิดและก็อย่าให้คำว่าอดอยากมากแค้นดินฟ้าอากาศแห้งแล้งอย่าได้มีอันนี้ก็คือความปรารถนาของเราแต่บัดนี้พวกเราได้มาเกิด ที่จังหวัดจกเนี่ยมาอยู่ที่จังหวัดจกค น, นครก็เป็นบ้านเมืองที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เออแล้วก็เมื่อเรามาเกิดนักสัฐานที่นี่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ตั้งตนเป็นคนดีชพ่อเกิดมาที่สกค น, นครแล้วเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วสัมมเลเทเมาเออความชั่วเสียหายเกิดขึ้นเออ ต่อเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพวกเราออกจากชาตินี้ไปแล้วไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันนี่ยอาจจะตกต่ำก็ได้นะทีเียอาจจะเป็นเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นสัตว์ที่ระชาญได้ทั้งนั้นเพราะอเพราะเราตั้งตนไว้ไม่ชอบนะในเมื่อเราตั้งตนไว้ชอบเอาเถอะเราเกิดมาในพื้นจังหวัดสกลนครแห่งนี้แล้ว เราจะประกอบจากคุณงามความดีเราจะสร้างบุญสร้างผู้สลเข้าสู่จิตใจถ้าเราตั้งตนไว้ชอบอย่างนี้แล้วนะชีวิตของเราก็จะงอกเงยงอกงามต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิโยลูกหลานทุกคนนะให้ประกอบคุณงามความดีในครั้งพุทธกาลมีนะ อ, อ, อย่างนี้แหละแต่ว่าคุตีของ คุณบอยนี่ก็เข้าวัดเข้าวางไม่แพ้กันกับบอยนะเออแต่ว่าในคร้างพุทธกาลยังมีแต่พ่อไม่เข้าวัดอันนั้นนะเออแต่มันต ร, ตรงข้ามกับโยมโยมพ่อของบอยนะบอยกับบอยเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งโูกทั้งวงสาคณาญาตนะแต่นี้หลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้ฟังก็คือในกรุงสาวัตถีนะ มีตระกูลหนึ่ง เ, เป็นพ่อค้าทองขายทองในกรุงสาวัตถีนะธรรมมาค้าขายเขาก็จเจริญ น, นะแต่ลูกชายเนี่ยไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าพ่อไปฟังคังโอ้ลึกซึ้งลึกซึ้งในจิตใจน่าจะให้เตียมาฟังด้วยนะ น, นี่อรรมมาชวนเตีย๋ยเตียไปฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจา้านะั่นแหละเตีย๋ยวเตียวโว้ย ข้ามีทามาค้าขายขายทองเ อ, อใครจะไปนี้มีแต่นี้จากบ้านทั้งหมดเออแล้วก็ใครจะขายทองล่ะเ อ, อไม่ไปแล้วออลูกชายตอนเย็นมากับไปฟังธรรมพระพุทธเจา้าแต่นีพ้พ่อหลายครั้งหลายโหนเอ๋เตี่ยไม่ไปวะจะเอาอยังไงจากนั้นก่อนที่มลพระพุทธเจ้าที่นี่มลพระพุทธองค์กับพระสงฆ์มาฉันที่บ้านมาฉันที่ร้านทองของตัวเอง พระพุทธเจ้าก็รับถ้าท่านมองเห็นอุปนิสัยของเท่าแก่ร้านทองนะครับลูกหลานอีกต่างหากพระองค์ก็รับพร้อมกับพระสงฆ์ในนี้พอพระสงฆ์เนีท่านไ้ก็จัดสถานที่ในร้านทองที่เป็นที่รองรับจากนั้นพระพุทธองค์จะเสด็จมาตอนเช้ามารับบาตรมาแล้วก็มาฉันที่ร้านร้านทองนะเท่าแก่ร้านทองไป ม, มาก็ไม่ได้ใช่ไหม เพราะลูกลูกทุกคนเนี่ยเขามาหมดแล้วเนี่ยล้านทองเออพราะพุทธเจ้าเสด็จมาขนาดนี้เฉยเมยได้ยังไงใช่ถ้าแก่ล้านทองก็มาก็มานั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพระองค์ฉันพัฒนาหารเสร็จแล้วนะพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนอุบาสกเออถ้าแก่ล้านทองได้คิดไว้ละอย่างต่อไปเนี่ยเราจะได้เดินทางเดินทางไกลนะ ได้เตรียมสเสบียงเสบียงเดินทางมีหรื อ, อยังจะเบียงที่จะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเน่ยคิดหรื อ, อยังได้คิดไว้หรื อ, อยังถ้าไม่คิดไว้คิดไว้ชนะเตรียมไว้นะถ้าหากว่าไม่มีสเสบียงเดินทางไม่มีทุนในการเดินทางจะลําบากนะพรนะองค์ตรัสอย่างนั้นนายช่างเท่าแก่ล้านทองก็จดุ่งโยงเลยโอ้ชายเราไม่ใช่เราจะอยู่ในพบนี้ชาตินี้เท่านั้นเราจะต้องตายและจะต้องเกิด จะต้องไปภายภาคหน้าในเมื่อไปภายภาคหน้าแล้วน่ะเรามีบุญหรือยังบุญกุศลในจิตใจของเรามีพร้อมหรือยังอันนี้เราได้คิดหรือยังเออเขาสะดุ้งเลยแสดงเนพอสะดุ้งพระองค์บอกว่าให้เตรียมพร้อมนะเราจะได้เดินทางไกลนะเออเราได้ดูไว้ในอย่างว่าเราจะไปพักที่ไหนเออในการเดินทางของเราเออพวกอุปกรณ์ในการเดินทางนะเราพร้อมหรือยังถ้าไม่พร้อมให้เตรียมพร้อมนะ เราจะเดินทางไกลแน่นะไม่เป็นอย่างอื่นนะเนี่ยอันนี้คือพระพุทธองค์เทศนาว่าการจากนั้นท่านก็เทศแนวอริยสัจพอจบลงแล้วทั้งเท่าแก่ล้านทองก็ได้สำเร็จพระโสดาบันทั้งลูกทุกคนก็ได้สำเร็จพระโสดาบันจากนั้นพ่อองค์ก็กลับนี่แหละลูกที่ดีต้องเป็นอย่างนั้นต้องชักชวนพ่อแม่เข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมพ่อแม่เป็นจำมักมิจฉาทิฐิ แต่ลูกชายเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิก็ชักชวนพ่อแม่เข้ามาสู่สัมมาทิฏฐิอันนี้คืออภิชาติตบุตรนะบุตรที่ดีบุตรที่เหนือกว่าตระกูลเนี่ยอันนี้ก็คือในครั้งพุทธายาวถ้าว่าไม่มีลูกชายชักชวนเตียก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันนะแต่นี่เตีย๋ยของเขาก็พอที่ฟังธรรมเทศนาคือความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าเท่าแก ยอมอมเมื่อยังมีชีวิตอยู่เดียวนี้แนหะได้ทําบุญทําทานได้อย่างได้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติได้อย่างทําจิตใจอย่างไรเพราะเราจะต้องไปในอนาคตนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าเมื่อเราไม่ได้ทําบุญไว้นะ่ะเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าแล้วจะเป็นยังไงอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวแล้วเกิดมานะ ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีเงินไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีบุญในกระเป๋าเราเกิดมาชาติหน้าอาจจะตกต่ำก็ได้นะไม่ใช่ว่าจะเกิดมาดีชาตินี้ชาติเดียวนี่พระองค์ตัดอย่างนั้นพามผู้เป็นเจ้าของร้านทองนะก็เสำนึกได้โอ้ใช่จากนั้นเขาก็ประกอบคุณงามความดีตั้งตนใหม่จนได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบัน นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายตัวนั้นคือตัวอย่างหนึ่งสําสหรับพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพาอท่านยืนยันยืนยันแล้วตายแล้วไม่สูญนะพวกเราคณะทายาิโยม น, นะหลวงพ่อไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อจะยืนยันเพราะว่าพวกเราท่านทานัทน้ทงหลายบอกว่าตายแล้วอาจจะสูญตายแล้วไม่เห็นใครมาบอกอาตายแล้วหายเงียบไปเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นพ่อคิดอย่างนั้นคล้ายคล้าว่า เ อ, อไม่ใช่พุทธะพุทธะเนะี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์ไปศึกษาไปค้นคว้าอยู่เป็นเวลาทั้งหกปีเเมื่อทีออกจากเบียงวังนะออกจากเบียงวังออกไปอยู่ในป่าไปศึกษาตั้งหกปีไปภาวนานะเ อ, อในเมื่อท่านสําเร็จในวันเดือนหกเพ็นนั่นนะ่ะพระองค์นั่งขัดสมาธิที่โคลนต้นโพธิทาว่าพวกเราไปพุทธกายานะจะไปเห็นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่เมือง พุทธกยาประเทศอินเดียที่โคลนต้นโพพระองค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตอนย่ำำําค่ําพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นนะวันเดือนหกเพนนะพระอาทิตย์ยังไม่อัจ ด, ดงพอองระองค์กรหันนั่งขัดสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก นี่แหละวิธีการทําสมาธิของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตนะจิตใจรวมสงบเพราะจิตใจรวมสงบท่านระลึกถึงอดีตชาติได้เลยียว่าปุเพนิวาสานนสติยานระลึกชาติทุนหลังในเมื่อพระองค์ระลึกชาติทุนหลังได้นะจากนั้นเท่ากับพอถึงเที่ยงถืนทั้งก็มองดู เหมือนกับหลวงพ่อนั่งอยู่นี่น่นะมองดูคณะสัตาญาติโยมเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยทำไมไม่เหมือนกัน เ, เป็นหญิงเป็นชายหน้าตาไม่เหมือนกันความรู้ความฉลาดต่างกันความร่ารวยมั่งมีสีสุกต่างกันนิสัยอากัปกริยาต่างกันทำไมจึงต่างกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกัน เ, เป็นบ้าใบเสียจิตอภิคงพิการก็มีอีกต่างหากทาไมพระ อ, องค์ก็มองดู ย้อนดูแต่ละดวงปีญญาณเขาทําเรื่องอะไรทําไมเป็นอย่างนี้พระองค์มองเห็นว่าคือกรรมกรรมคือการกระทําถ้าคิดดีทดําดีพูดดีการคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแหละบุญกุศลก็จะไปตามสนองถ้าใครคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วกรรมชั่วก็ตามสนองอีกเหมือนกันเมื่อกำชั่วตามสนองนั่นมันต่างกันนะเหมือนกับคนเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกันนะ ถ้าใครคิดชั่วทำชั่วเขาก็จับเข้าคุกนะถ้าว่าใครคิดดีทำดีพูดดีเขาก็เยืดชูบูชายกย่องเป็นผู้ใหญ่เป็นที่ยกย่องนับถือเนะี่ยมันต่างกันอย่างนั้นนะความดีกับความชั่วไปคนละทางกันเพราะนั้นพระองค์จึงมองเห็นว่าสัพสัต ท, ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมพระองค์จึงได้ตรัสในโอวัตปาติโมกว่าอากตังดุกตังเสยโยปัชาตปฏิทุกตัง กรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละให้พวกเราศึกษาเอาไว้ว่ากรรมการกระทำทำได้สามทางมนโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทำการกระทำทางกายวจีกรรมคือการโพดนี่แหละการทำกรรมเพราะนั้นถ้าหากว่าพวกเราอยากจะรู้ อตามแนวแถวของพุทธะเนี่ยเให้นั่งภาวนาให้นั่งภาวน า, น า, วนาทําจิตใจให้สงบอย่างพระพุทธเจ้าในเมื่อเราทําจิตใจให้สงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเลยทีเดีเยเราจะเห็นหว่าร่างกายของเราเนี่ย เ, เหมือนกับรถอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเนี่ยจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ยเราเห็นได้ชัดรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับเออ อันนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราต้องอาศัยวิญญาณคือใจคือตัวผู้รู้เข้ามาอยู่ในกายแล้วก็สั่งสมองสั่งสมองสมองเนะ่ยคือเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ในรถของเรารถทุกวันนีนะ้ถ้ารถราคาแพงๆนะจะมีคอมพิวเตอร์ในะสั่งการนะมันจะสั่งพอเขาไปเราจะตัดเครื่องตึบขึ้นมาพอจะตัดเครื่องเสนะร็รจแล้วเนะ่ยเครื่องมันจะโชว์ขึ้นมาบอกเลยว่าน้ํามันจะไปได้เท่าไหร่เอ๊มันจาเหลือเท่าไหร่ ตาซ้ายขวาเป็นยงไงล้อซ้ายขวาอ่อนหรือแข็งอย่างไรเสมอกันไหมพร้อมที่จะไปได้ไหมมันจะบอกนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่ยมาสั่งสมองสมองก็จะรับรู้รับทราบในร่างกายของเรานี่แหละตัวที่สั่งสมองนั่นแหละในหลักของพุทธศาสนาท่านวัดใจเใจคือมโ น, โนเนท่านให้ความสำคัญจุดนั้นมากกว่าเรื่องของร่างกายนะ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 ขับรถคันนี้รถคันนี้ก็ไปในทางที่ดีถ้าหากว่ารถคันนี้โซเฟอร์กินเหล้าเป็นนักเลงหัวไม้ออพอขับรถขึ้นมากันนนเปรซ้ายเปรคขวาเพื่อเหักลงข้างถนอนอีกต่างหากชนคู่ชนคนอีกต่างหากเพราะอะไรนิ้อสายโซเฟอร์ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นโซเฟอร์จําเป็นอย่างยิ่งที่จะออกธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาโซเฟอร์ไปอบรมธรรมะ ในเมื่อจิตใจเมื่อโซเฟอร์ได้รับได้รับการอบรมเอาศีลเอาธรรมเอาคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่โซเฟอร์นะรถคันนี้ก็จะมีนิสัยดีนะการพูดจารพาที่อากับกริยาทุกอย่างจะดีไปหมดนะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องของใจนะคณะทาญาทโยมลูกหลานทุกคนนะเออัทวดาเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรั่วใจ เพราะนั้นอย่างวันนี้เราพวกเราได้มาร่วมมารวมกันก็เพื่อสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะว่าในหลักของพุทธะและว้วธนูตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกพบหน้าชาติหน้ามีเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทการสังสมการหาเงินคาทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราคิดว่าการหาเงินคาทรัพย์สมบัติเนี่ยเลิศประเสริฐดีที่สุดไม่อย่างอื่นไม่ต้องเอา น, นั้นแปลว่าคิดผิดจะแล้วพวกเราต้องหาทั้งสองอย่างคือหาทั้งศีลทั้งธรรมด้วยหาทั้งเงินด้วยเงินพวกเราคิดดูให้ดีเะเงินถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนส่งเราถึงโรงพยาบาลแต่ญาติพี่น้องของเรามากมายขนาดไหนส่งเราถึงเม น, นพวกเราคิดดูสออิเงินนส่งโรงพยาบาลพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ส่งโรงพยาบาลดีที่สดุดออไม่มีเท่าไรจ่ายไม่อั้น เอาเลยรักษาให้ดีที่สุดพอีนสุดหมอก็หมดความสามารถเหมือนกันรักษาเท่าไหร่เอาะไรเท่าไหร่ก็ไม่อยู่พอีนสุดกนะ็ต้องทิ้งหมอเอาไมา่อยู่แหละหมดแล้วแปลว่าหมดส่งถึงโรงพยาบาลจากนั้นก็เอามาจากโรงพยาบาล เ, เสร็จแล้วก็พผีน้องทางหลายก็ส่งถึงเมนอี ก, กนพอส่งขึ้นไปถึงเมนแล้วก็ ปู่ย่าตายายไอ้พ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายไอ้ถ้าหากวันท่านได้ทํากรรมอะไรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีโอโหศีกรรมให้กับท่านเนอะแล้วก็ท่านก็เหมือนกันได้ทําอะไรกับพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าก็ยินดีโอโหศีกรรมให้กับท่านขอให้ท่านไปดีนะเนอะจากนั้นพอวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วเราก็ลงมานั่งจากนั้นตัวเองก็เข้าไปในเมนไฟเผาเท่านี้ อพอไฟผ่อนอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรซียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราพวกเราคิดดูสิจริงไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้จริงไหมหลวงพ่อเอาความจริงมาพูดนะคณะทาญาทโยมพวกลูกหลานทุกคนเพราะธรรมะเนี่เป็นของจริงต้องเอาของจริงมาพูดมากล่าวให้กันฟังไม่ต้องเอามาหลอกหลอก พูดให้ฟังให้ชัดเจนจริงไหมนี่แหละไม่จริงก็ต้องจริงเพราะเราต้องคิดติดตามติดตามดูซิที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าบุญกุศลมีในจิตในใจแล้วนะเราจะมีความมีความภาค ภ, าคภูมิใจมีความสุขใจลึกๆนะเพราะว่าเอาเถอะ เ, เ, เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตข้าพระเจ้าได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ได้ประกอบคุณงามความดีไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในความประมาทข้าพเจ้ามีแต่สั่งสมบุญกุศลหาทรัพย์สมบัติข้าพเจ้าก็หาเออและปฏิบัติศีลปฏิบัติธทำธรรมข้าพเจ้าก็ทมเอาได้ทั้งสองอย่างนี่แหละถ้าได้ทั้งสองอย่างเนี่ยอาหารข้างนอกคือเงินคําทรัพย์สมบัติอาหารร่างกายนะคณะทาญาติโยมนะศีลและธรรมเนี่ยคืออาหารทางด้านจิตใจจิตใจกับกายอาศัยซึ่งกันและกัน อาหารกายอาหารใจมันคนละอย่างกันนะแต่เกี่ยวเนื่องกันแต่ไม่ใช่อันถึงอันเดียวกันแต่มันเกี่ยวเนื่องกันเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านประกอบคุณงามความดีการกล่าวปารลบเรื่องงานวันเกิดของคุณโยมพร้อมลูกหลานคณศตัทาาดทายาติโยมทุกคนแล้วก็การกล่าวสมุดธนิจกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพรษีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มของพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมขอขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเถิด